ขอร อ, อบน้อมต่อคุณพระตนาตรไลโอกาสหลว่กลมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนธรรมมีครูทุกท่านจเจริญธรรมแมชีคุณแมชีและญาติธรรมทุกท่า น, เ, านเมื่อสักครู่เราก็ได้สวดธรรมจักกับพระวุนธสูต ร, รเนาะซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหก หละนั้นก็ผ่านไปสองเดือนท่านก็เดินทางไปเองที่ปารอสิวัฒนะมลิกายวันเพื่อไปโปรดปัญจวัคคีการทีโปรดปัญญวัคคีนั้นก็โดยทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมเพราะในรั้นแรกก็ทรงพิจารณาว่าผู้ใดที่ควรจะฟังทำหลังจากที่ทรงตัดสระลูแล้วก็ พิจนาไปถึงอาราลดาบทและอุทกดาบทก็ปรากฏว่าท่านทั้งสองก็มรคกรรมไปแล้วจากนั้นก็เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีได้ทรงแสดงธรรมจักกับพระพุาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการกล่าวถึงอริยสัจสี่ซึ่งมีความสำคัญไปอย่างยิ่งนะในตรงนี้ ถ้าใครเข้าใจในอริยสัตย์สีแล้วผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายจนขนาดที่พระเจ้าได้ทรงตัดไปว่าการที่ทรงเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ทั่วนั้นก็เพราะว่าไม่รู้จักอริสัตยสีนั่นเองเพราะฉะนั้นอริสัตย์สีนี้จึงมีความสําคัญที่สุดคราวนี้เนื้อความในธรรมจักรเป็นอย่างไงในขั้นแรกก็ทรงพิจารณาเห็นว่า ปัญญวิคีนี้มีความยึดมั่นในการทรมานตนเองยกตัว อ, อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าในขณะนั้นที่ยังทรงบำเพ็ญเพียรอยู่อดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันปัญญวิคีก็มีความชอบใจว่านี่แหละคือหนทางที่พระพเจ้าจะบรรลุธรรมแล้วแต่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงกลับมาฉันพระตาหารอีกครั้งหนึ่งปัญญวิคีก็เห็นว่านั่นเนี่ยทรง ะละความเพียรแล้วก็เลยหนีมานะเพราะฉะนั้นมีความยึดมั่นมากในการที่เรียกว่าอาการทรมานตนเองนี่เป็นทางที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในธรรมจักนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยที่พระวุดงจะทรงสแสดงหนทางสุดตรงสองข้างก็คืออาการมาสุ ข, ขาริการุโยกคือการที่ไปเสวยอะไรการมาลมต่างๆก็ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงผลทพะธรรมลม ซึ่งการเสวยในกามเหล่านั้นได้ทรงชี้ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะโดยทั่วไปคนก็ชอบประพฤติเช่นั้นอยู่แล้วมันเป็นทางที่ไม่พ้นทุกข์ที่แน่นอนส่วนอีกทางหนึ่งซึ่งในขณะนั้นในอินเดียนั้นนิยมเป็นอย่างยิ่งโดยเพราะฤาษีชีพายหรือนักบวชต่างๆก็คือการทรมานตนเองนะโดยวิธีการต่างๆ เช่นนั่งนอนท่าเดียวนะนั่งบนน้ำนอนบนน้ำยืนขาเดียวเอาเท้ามือชี้ฟ้านะไม่ก็เพ่งดวงอาทิตย์บางทีก็กำมือจนเล็บทะลุหลังมือหรือไม่ก็ขุดหลุมฝังตัวเองต่างๆการทรมานตนเองเหล่านั้นในนักบวชในสมัยนั้นก็เข้าใจว่านี่แหละจะทําให้เป็นการชําระกิเลสตัวเองเป็นการ ใช้กรรมหรือทำให้พระผู้วิเจ้ามีความพอใจแล้วก็เป็นทางที่อาจจะถึงทึงวามหรุดพ้นได้แต่พระองค์ได้ทรงชี้ว่านี่ก็เป็นทางที่ไม่หลุดพ้นเช่นกันแล้วก็ทรงชี้ว่าทางหลุดพ้นนั้นก็คือหนทางสายกลางนั่นเองต่อมาก็ได้ทรงแสดง อ, อ, อริสัต4สีซึ่งอันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะ ก็ได้แก่ข้อแรกก็คือทุกข์ทรงชี้ว่าทุกข์นั้นมีอยู่จริงอริสัตย์สี่คือทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทุกข์ได้แก่อะไรก็คือชาติปิตุคาได้แก่การเกิดการแก่การตายนี่คือทุกข์การที่เราประสบกับสิ่ง ทุกโศกความลำไายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็คือทุกการพราดภาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกว่าโดยย่อประธานขันทั้งห้าคือความทุก ในขั้นแรกก็ทรงชี้เห็นทกุก่อนว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจำสังขารของเราเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นสิ่งเราหนีไม่พ้นนะนอกจากนั้นความทุกข์ที่จรมาต่างๆเช่นความโศกเศร้าความลำลายลำพันต่างๆนะความที่เราประสบกับสิ่งที่เราไม่พอใจต่างๆและโดยที่สุดก็คือขันห้านี่แหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณหรือกายและใจนี้อันนี้แหละก็คือ ต้นเห็นแห่งความทุกข์ที่แท้จริงสงชี้เห็นทุกข์ในขั้นต้นก่อนนะเพราะว่าโดยทั่ ว, วไปแล้วคนเราจะมองมาเห็นทุกข์ในตรงนี้นะนะจนคนเรานี่ก็คิดว่าชีวิตเราบางคนนี่บอกว่าไม่มีความทุกข์เลยนะแต่ถ้าผู้ใดที่เห็นความทุกข์แล้วนั่นแหละคือหนทางแรกที่ว่าเรามีโอกาสจะพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นคนที่เห็นความทุกข์นั่นแหละก็จะหาทางที่จะดับทุกข์ สวนบุไดไม่เห็นความทุก์ก็จะไม่หาคนทางก่จตับทุกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออริสัต์ข้อแรกที่สรงชี้ว่าตรงเนี้มีทุกขมีอยู่จริงนะบางคนสงสัยทําไม่ไม่ชี้สาเหตุแห่งความเกิดทุกขแต่ว่าในคั้รกจริงๆแล้วต้องชี้ให้เห็นทุกก่อนว่าทุกนี้มีอยู่จริงและคืออะไรบ้างนะหลังนั้นเราก็ค่อยหาสาวไปหาสาเหตุแห่งการที่เกิดทุกอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครที่ไม่เห็นทุกก็จะไม่ไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่ที่จะหาสาเหตุแห่งความทุกนั้นนะหลังจากที่ทรงชี้ให้เห็นทุกข์ก็มีอยู่จริงแล้วก็ทรงสาวไปหาสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์คือสมุทยัยว่ามีอะไรบ้างนะสมุทัยก็ได้แก่ยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราฆะสากตาก็ได้แก่ตันหานั่นเองตันหาก็คือนะความที่เราอายินดีพอใจนะ เป็นเหตุให้เกิดใหม่นันทิลากค ก, ก็คือความเพลิดเพลินไปในลมต่างๆเหล่านี้เสรยธีทางได้แก่กามาตันหาก็คือความที่เพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโธทพะธรรมรมภาวตันหาก็คือความที่เราอยากได้ Umwelt, อยากมีอยากเป็นทั้งหลายวิภาวตันหาก็คือความที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายนี่แหละคือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ สาเหตุในการเกิดทุกข์นั้นทรงชี้ไปที่ความเพลินนะคือตัณหาคื อ, อนันทิราคะคือความเพลินไปในตัณหาก็คือกามนั่นเองน ะ, ะเพราะว่นั้นในกามที่เราไปเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏพลาธรรมลมนี่เราต้องอย่าไปเพลิดเพลินนะแล้วต่อมาหลังจากนั้นก็มีพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งทรงชี้ว่าการเพลิดเพลินนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง โดยชี้เห็นว่าผู้ใดที่เพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะธาธรรมลมเรากล่าวว่าผู้นั้งเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์จักไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ส่วนผู้ใดที่ไม่เพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะธาธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดไม่เพิดเพลินในความทุกข์เรากล่าวว่าจักพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะนั้นผู้ใดที่ยังติด ในรูปเสียงกลิ่นรสผลพบธรรมรมในทางตาหูจมลิ้นกายใจที่จะไปเสพในลมเหล่านั้นก็คือตัณหานะั่นก็สาเหตุแห่งความเกิดทุกข์นั่นเองภาวะตัณหานั้นนนะัก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆนะอันนี้นะ่เป็นการที่เรียกว่าครอบคุมไปหมดเลยแม้แต่การปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็จัดว่าเป็นการมตัณหา นี่ก็เป็นหนทางที่ว่าอาจจะทําให้เกิดทุกข์ตามมาเพราะจะเกิดการดิ้นรนนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือเราไม่ต้องการที่จะต้องได้อะไรนะแต่ว่าเป็นการปฏิบัติถ้วยความฉันทะหรือความพอใจพอหลวงปะเทียนก็เลยบอกว่าอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนั่นเองนะก็คือเราพอใจในการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัณหาในการที่เราจะไปอยากได้ในสภาวะธรรมต่างๆ ต่อมาก็เป็นการที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาก็คือการที่เราไปผักใสอารมณ์ต่างๆที่เราไม่พอใจนะหรือว่าไม่ต้องการเป็นในสิ่งตรงนั้นนะเพราะฉนั้นตรงเนี้ยถ้าไปบัติธรรมโดยการผักใสแล้วนะก็ไปเข้าสู่วิภาวะท่านนั้นเลยเพนะระหรวงพ่อเทียนก็เลยบอกว่าให้รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปผักใสเขานะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเออมันก็เราก็ไปบัติธรรมได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปติด แล้วก็ไม่ต้องไปผักใสเพียงแต่เรารู้เฉยๆก็พอแล้วนะในเมื่อตรงนี้นะก็คือทุกข์และอ่าสมุ ท, ทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะต่อไปก็ได้ทรงแสดงหนทางความดับทุกข์ว่าจะดับทุกข์อย่างไรนะการดับทุกข์นั้นท่านก็แสดงที่นิโรธก่อนนะนิโรธนะก็คือความดับคําว่านิโรธก็แปลว่าดับ <c oughs> ทุกขสมุอัย <c oughs> ทุกขนิโรธก็คือการดับทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ว่านิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองนะอันนี้เราก็จะง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่านิโรธก็คือการที่เราต้องถึงพระนิพพานหรื อ, อไรอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นอีกต่างหากเพราะว่าพระนิพพานก็เป็นสภาวธรรมแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะเพราะฉนั้นถ้าเราไปบัดเพื่อการดับทุกข์แล้วมันก็จะง่ายว่าเราเนี่ยมีทุกข์ไรแล้วเรารดับตรงนั้นดับ ดับทุกตรงนั้นให้เกิดนิโรธจริงๆนะจิตก็จะหลุดออกจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเช่นกันนะตรงนี้ก็คือเข้าถึงนิโรธหรือพันิพานแล้วนะคราวนี้ <c oughs> นิโรธนี่คืออะไรก็คือโยตัสาเยวะตันหายะอเสสาวิลากะนิโรโทจาโคปนิสสะโคมุตติอนารโยนิโรธก็คือการดับตันหาโดยการจางไปของตันหา เป็นการดับทุกข์โดยการที่ทำให้ตัณหาเหล่านั้นจางคลายไปก็คือเวลาค้ะหลังจากนั้นก็จะเกิดนิโรธขึ้นมาก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาจาโคคือการสลัดออกปฏินิสตโคคือการสลัดคืนมุตติคือการปล่อยการวางอนารโยคือการทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนะก็คือการดับตัณหาโดยไม่เหลือนั่นเองก็จะเป็นการดับทุกที่แท้จริง ต่อมานะก็ทรงแสดงว่าอาการที่เราจะถึงนิโรธคือการดับทุกนั้นเราจะทำอย่างไรนะก็คือทางสายกลางนะทางสายกลางที่ได้ทรงชี้ตัตฑนแล้วนะว่าสุดตรงสองข้างก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องดำเนินไปในทางสายกลางทางสายกลางก็ประกอบด้วยมรตมยงแปดได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโป ความดำริชอบสัมาวาจาคือเจรจาชอบสัมากรรมโตการประกอบการงานชอบสัมาอาชีโวการเลี้ยงชีพชอบสัมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมาสติมีความระลึกชอบสัมาสมาธิอาจิตตั้งมั่นชอบอันนี้มรรคมีองค์แนี่ถ้าโดยย่อก็คือศีลนะสติ สมาธิปัญญานั่นเองนะถ้าผู้ใดดําเนินไปในหนทางมรรคมีองค์แนี้แล้วก็จะเกิดนิโรธขึ้นมานะก็คือเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วดังถูกต้องจิตก็จะเข้าไปเห็นความจริงในวิราคะก็คือการที่เราจะคลายจากความยึดติดในขันห้าต่างๆนะเกิดวิราคะก็คือการที่เราอาจารย์คลายในตัณหาเหล่านั้นนะ การคลายออกของตัณหาอันนีน้เมื่อไปปฏิธรรมไปแล้วมันจะต้องเข้าสู่วิราคะในขั้นแรกแล้วหลังนั้นก็ไปจบที่อนายโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยหลังนั้นจิตก็จะเกิดการหลุดพ้นขึ้นมาโดยจิตก็เกิดการปล่อยการวางโดยตัวเขาเองอเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในอริสัตถ์ี่ครั้นี้ กิจที่ต้องทําในเรีฤาษ์สีมีอะไรบ้างนะก็คือทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งเราต้องรู้นะนะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละนิโรธเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิดทุกนั้นอ่านะเป็นสิ่งเราต้องรู้แต่ไม่ต้องไปละเขานะเราต้องคอยรู้ในทุกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและใจของเราเท่านั้นเองนะมันไม่ต้องไปละเขา Spread, ยกตัวอย่างเช่นอาการที่เราเกิดอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นสิ่งเราต้องรู้เพราะว่านี่แหละคือความทุกข์ผู้หัวใจของกิเลสทั้งหลายหรือหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองความโลภนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่ก็ทําให้เราเกิดความพอใจเกิดราคะเกิดความยินดีต่างๆเกิดความอยากได้ต่างๆ อันนี้จะมีาการที่เราเรียกว่ามีลูกน้องเยอะแยะเลยนะคือความพอใจยินดีต่างๆไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นต้นเหตุแห่งความที่ว่าเป็นสิ่งเราจะต้องรู้ให้ทันนะแล้วเราก็ต้องอเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้จิตใจก็จะค่อยๆวางในลมเหล่านั้นได้ ต่อมาก็คื อ, อโทสะหรือความโกรดนั้นก็มีลูกน้องต่างๆมากมายมีความเครียดความเหงาความกลัวความเกลียดความโกรธความพยาบาทความบิดฉาความหึงหวงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คื อ, อโทสะนะเราก็ต้องรู้ให้ทันในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะแต่เราไม่มีหน้าที่ไปละเขาเรามมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองนะ ทุกนั้นนะเราเพียงแต่เรารู้เขานะแต่จากการรู้นั่นแหละถ้าเรารู้เฉยๆเขาก็จะวางได้เองนะเขาก็จะปล่อยจะวางเขาได้เองเราไม่มีหน้าที่ต้องไปจัดการเขาเพราะถ้าเราไปคอยละเขาก็กลายเป็นการผักใส่ก็เข้าสู่วิภาวตันหาอีกครั้งหนึ่งนะก็กลายเป็นวิภาวตันหาไปนะเพราะนั้นทุกนั้นนะไม่ว่าจะเกิดทางกายและทางใจให้เรามีหน้าที่รู้ก็พอแล้ว ส่วนการละเราก็ไปละที่ต้นเหตุนะก็คือสมุทยัยนะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละนะก็คือในเมื่อเราเข้าใจในตรงนั้นแล้วก็คือกามาตัณหานะความที่เราเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผธธธธมลทัพพันอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ต้องไปละในตรงนั้นนะภาวตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆก็ไปละในตรงนั้นนะวิภาวะตัณหาก็คือความที่เราไม่อยากได้ไม่อยากไม่ไม่อยากเป็น ไปผักใสต่างๆอเราก็ไปละในตรงนั้นแล้วก็นิโรธนี่เป็นสิ่งเราต้องทําให้แจ้งนิโรธนะคือความดับทุกข์นะต้องทําให้แจ้งขึ้นมาส่วนมรรคก็เป็นทางเราต้องทําให้เกิดก็คือเราต้องดําเนินไปในมรรคมีองค์นั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันก็คือเราต้องดําเนินไปในมรรคมีองคแดล้วก็คือศีลสติสมาธิปัญญาตรงนี้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะ อ่เห็นแจ้งได้เองอถึงนิโรธเราไม่ต้องปรารถนานิโรธแต่ว่านิโรธก็จะเกิดขึ้นได้เองจากการที่เราทําให้แจ้งในมรรคเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้นะเราชื่อว่าเราเดินตามมรรคแล้วมรรคมีองศาซึ่งเป็นการประกาศโดยพุทธเจ้าว่าอ่าผู้ใดที่ไม่เจริญตามมรรคผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสที่เข้าถึงนิโรธนะเพราะว่ามันเป็นหนทาง ที่จะเดินทางเข้าสู่ในในโลกเพรามเป็นทางสายกลางสายเดียวนะที่เราจะเข้าสู่ในตรงนั้นได้นะหลังจากที่ปู่ในทรงประกาศในอริสสัตว์สี่นี้หรือธรรมจัรนี้จบแล้วนะก็ปรากฏว่าพญากุณฑิยะก็ได้เกิดยังกินจิสมุทญยธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรรมันติก็คือเห็นสภาวะ ว, าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาอนะ่ตรงนีนะ้เป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดมากนะเพราะว่าการที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปนะก็คือการที่เราเห็นซึ่งปไตยรักนั่นเองนะแต่ถ้าผู้ใดที่ไม่เห็นในตรงนี้ก็ชื่อว่าไม่เห็นปไตยรักเพราะปไตยรักนั้นเป็นสภาวะที่ละเอียดเป็นอย่างยิ่งนะ เป็นความที่เรียกว่าเราต้องเข้าถึงในตรงนี้ว่าอสภาวะธรรมทุกอย่างมีความไม่เที่ยงอมีความเป็นทุกข์คือไม่อาจจะทนในสภาวะเดิมอยู่ได้มีความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ะถ้าเราเห็นในตร ง, ตรงนี้ปับ๊บอันนี้ที่ว่าเราได้เห็นอทึง่งซึ่งอริสัตยสี่แล้วอริสัตย์ในตรงนี้แล้วะในความที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาะ แต่ถ้าเราไม่เห็นในความเกิดและความดับที่ว่าเรายังไม่เห็นสัจธรรมนะเพราะว่าเราก็ยังไปยึดติดในสิ่งนั้นในความเป็นตัวเป็นตนนะในสภาวะที่เขาตั้งอยู่นะในสภาวะเป็นนิจจงังสุขขังเป็นอัตตาอยู่นะตรงนี้มันก็จะไม่พ้นนะไม่ออกจากความยึดมั่นไปได้นะเพราะนั้นนะการที่พรนะโกนธัญญะได้เห็นถึงสภาวะนีนะ้ถึงความที่สภาวะต่างๆมีความเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานั้นอันนี้ชื่อว่าเห็นประไตรลักษ์นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วนะก็จะต้องเห็นประไตรลักษ์ด้วยเมื่อเจะเดินมรรคมงแปะแล้วก็ต้องคล้ายๆกับพระโกนทัญญานั่นเองก็ต้องเห็นว่าสภาวะธรรมมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดานี่แหละจริงเรียกว่าเห็นสัจธรรมก็คือเห็นสภาวะแห่งความเป็นจริงคําว่าสัจธรรมก็คือความจริงความจริงซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆแล้ว ในโลกนี้เพียงแต่ว่าเราไปเห็นเขาหรือเปล่าเท่านั้นหรือเปล่านะถ้าเราไม่เห็นเราก็จะไม่ไม่เกิดการที่เราว่าเราจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเราเห็นอภัยรักเห็นสภาวะที่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จิตก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกาหนัดตามมานะเมื่อจิตเบื่อหน่ายเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็จะหลุดพ้นได้ จากการที่เราเห็นพระไตรลักบ่อยๆนั่นเองพระไตรลักษณ์ก็เห็นได้จากการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเลินด้วยมรรคมีแฝงแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณ์ได้เช่นเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นบางวันเราไปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามีสติที่ดีนะแต่พอวันต่อมาเราก็เห็นว่าเอวันนี้ก็สติไม่ดีนะก็จะเห็นในตรงนี้ว่าเจริงๆก็คือความไม่เที่ยงที่เขาแสดงนั่นเองนะการปฏิบัติธรรมบางทีก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกกายทุกใจเกิดความเบื่อ เกิดความง่วงเกิดความหิวเกิดความเมื่อยต่างๆเหล่านี้เขาก็แสดงถึงความทุกข์แล้วเราสังเกตรตรงนี้ไหมว่าเออนี่คือความเราทนในสภาวะเดิมไม่ได้ะเรานั่งนานๆก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนกินอีเลียบทต่างๆเห็นถึงความคิดจะเกิดขึ้นบ่อยเออทําไมเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทำํำไมเราคิดเก่งแบบอยู่บ้านเองนะนี่แหละก็คือสภาวะธรรมนี้ก็แสดงเราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็าไม่ได้ นะความคิดก็เกิดเข้ายูนอย่างนั้นอยู่แล้วนะอเราไม่ได้ตั้งใจคิดเขาว่าคิดเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนะเราไปเห็นไม่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เตรงนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆเราก็เห็นว่าเออที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นแหละเขาจึงไม่ตัวเม่ตนของเรานะอ่านะมันก็จะเกิดปัญญานในตา ม, มาเต็นตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่ว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนด็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเม่ตนนี้เมื่อเห็นตรงนี้แล้วจิตก็จะเกิดเกิดการปล่อยการวาง การละการคายออกอทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัย น, นี่ก็คือผลทางความพ้นทุกนั่นเองแล้วหลังจากที่อ่พระโกนธัญญะอได้ดวงตาเห็นธรรมในตรงนั้นแล้ว <c oughs> ตรงนี้ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะหลังนั้นก็ทรงขอบวชนะเมื่อเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าวันนี้ก็คือวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่ พระลันตัยเกิดขึ้นมาในโลกครบสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพ ร, ระโกนธัญญะนั่นเองนะเป็นอพระสงฆ์ที่เป็นรูปแรกอในหลังนั้นในวันอต่ อ, ต, อต่อมา <c oughs> อปัญจคีที่เหลือก็ค่อยๆบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่บรรลุเป็นพระหรันนะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงอนัตตาลคณสูตรซึ่งเป็นมสูตรที่สําคัญยิ่งนะ ลองลงมาจากธรรมจักเลยเนื้อความของ อ, อนตุตตลัคนาสูตรนะมีใจความย่อยๆ อ, อ, อย่างนี้ว่าดูกอนภิกษูทั้งหลายรูปเวนานาสัญญาสังขารวิญญาณก็คื อ, อากายและใจหรือรูปเวนามนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือยตานคิดว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าหลังนั้นก็ทรงอสรุปแยกย่อยเป็นแต่ละขันให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นตาได้อย่างไรหลังจากที่ทรงแสดงจบแล้วปัญญาคีก็บรรลุเป็นพระรหัตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เมื่อกี้ได้พูดไว้แล้วว่าการที่เราเห็นมไตลักษ ก็คือการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นให้เราบรรลุธรรมได้ก็คือเข้าถึงนิโรธได้นั่นเองนะเพราะนั้นเมื่อปัญญคีได้ฟังพระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระรหันธ์ทั้งหมดเลยนะอันนี้มันจึงเป็นเรียกว่าเป็นการหมุนกงล้อของธรรมจักรเป็นการยังพระธรรมให้เกิดขึ้นในโลกแล้วก็หมุนพระธรรมนั้นให้เคลื่อนที่ไปหลังจากที่หยุดนิ่งมานานแล้ว โดยพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มหมุนธรรมจักรนี้ขึ้นมาและก็เป็นการที่รับช่วงต่อโดยพระพิสุสงฆ์ซึ่งในยุคต่ อ, ต อ, ตอมาก็เป็นผู้ที่หมุนธรรมจักรให้เคลื่อนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราซึ่งเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอุบาสกบาสิกาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยกันหมุนพระธรรมจักรให้พระธรรมจักรนี้เคลื่อนไปเรื่อยๆนะ นี่แหละถ้าพวกเราได้มาช่วยกันหมุนพระธรรมจักรในตรงนี้อะระพุทธนาก็จะลุะ้งโลดจเจรืองลุ้งเลืองไปไม่มีที่หยุดที่ยัง้งไม่มีที่สิ้นสุดนะและนั่นก็คือเราได้ยัง้งสั่นโลกทั้งหลายให้ถึง่าซึ่งความพ้นทุกได้อ่าโดยที่ไม่ยากนะเพราะทุกวันนี้จรงิงๆแล้วพุทธศาสนานี่แผ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าสมัยก่อน ถ้าพูดถึงว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอสําคัญแล้วก็ถือว่าลุ่งเลืองยิ่งมาทุกๆยุคที่ผ่านมาน ะ, ะเพราะเราสามารถที่จะเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกแม้แต่เรามีอคอมพิวเตอร์ตัวเดียวนะเราก็สามารถที่จะเผยแผ่ได้แล้วนะอันนี้ชื่อว่าพวกเราก็ได้ช่วยกันเขมรธรรมจักนะแต่การที่จุดสําคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อจิตใจเรามีความเข้าใจในธรรมะแล้วมันก็ละวายน้ําเป็นนะ เราก็จะไปสอนคนอื่นให้ไายน้ําได้เช่นกันนะแต่ถ้าเราเวียงไหวน้ํามไม่เป็นเราก็ไปสอนให้คนอื่นในไายน้ํามไม่ได้นะเพราะนั้นในขั้นแรกนี้ก็ให้เราไหยน้ําให้เป็นสก่อร์การที่เราไายน้ําเป็นหรือการที่เราเข้าถึงธรรมนั่นแหละนี่ก็คือการที่เราช่วยกันบุญพระธรรมจักรอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้พระสันนาก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตการอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในโอกาสนี้นะก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระอาจารย์ไตร ให้พวกเราทุกท่านาจจเจริญด้วยธรรมด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาและให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านเิอ